ธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าสะสมบารมีจนถึงที่สิ้นสุดแห่งภพหนังสือ ปุตชาวิสัชนามัคคาสู่แก่นธรรมแล้วก็มีนักเอ็มพี่สามของหลวงพ่อนั่มแต่หนังสือเล็มนี้มีสามพระอาจารย์หลวงพ่อพุทธทานิโยหลวงพ่อพุทธมีข้อธรมปัญหากระเพนหลวงพ่อชาสุภัทโทหนะลวงตามหาบัวญานสัมปันโนสามองค์อยู่ในในหนังสือเล็มนี้กล่ว่าลูกหลาน <เ>อยากจะถามปัญหาอยากจะถามความได้ใจกับคู่บ่าจานยุแต่ทังที่ถามจะได้อยากอายเพิินว่ะจะถามเพลินอยู่แต่หากอยากฮู้ยุหนังสือเล่มนี้อาจจะให้คําตอบก็ได้นะหนังสือเล่มนี้อาจจะให้คําตอบภายในใจของเฮ้าก็ได้บางที่สุดท้ายญาติโยมไปถามเพิินเพิินก็ตอบถามหลวงพ่อพุทธเพิินก็ตอบแนวหนึ่งสาม หลว ง, งตาไอหลวงพ่อชาเป็นกระตอบปัญหาก็คงจะบวคือกันและกัของหลวงตามหาบัวเองหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นไปประเทศอังกฤษไปประเทศอังกฤษแต่เขาถามปัญหาเพลินฝรั่งถามปัญหาเพลินเพลก็ได้ตอบปัญหาให้ฝรั่งฟังแล้วก็เนีน่ยให้พวกลูกหลานเอาไปอ่านาไปศึกษาจากกระพี้ั่งเอ็มพีสของหลวงพอ่อมีเขาเหตุมาก ถวายมาน่านแล้วแนะแจกแล้วแจกอีกเอ็มที่3ของหลวงพอ่อตะข้าวเนียเห็ดพอปันเห็ดลูกพาเอก เ, อเล่วนันนไปแต่กอนหลวงพอ่อบุกเข้เห็ดใหญ่นี่หอกลูกเห็ดเหนหน่อ ย, อยกระไดเห็ดประมานจาก เ, เล่นเหรียญบาทหนึ่งกระไดาเห็นหเห็ดยังเถลอทะลาวะสนุกเบิง่งเบิ่งแลละ บาในเจ้าของผู้ขาอเหตดน่เขาบอกขักแกฟาดมาเหตุปักแง่มาตะไวหลวงพ่อเฮเธอเลอร์แล้ว น, นลงไปหลวงพ่อก็แจกตามที่เขาเหตนนะุม่านนะนะแดนมิเมืดวนลงไปยังจากั้นเขาเหตุมาไหายเลยกนะ็จะไปเอาไปถิ่มเลยก็จักจังไหนเสียดายมันบัด เ, เพราะเอ็มพี่สาย้อในหนีว น, นไปกันจะให้ถ้าเอ็มพี่สาบอให้ลูกหลวงพ่อก็จกักจังไหนอีกห น, นิเพราะมันมานํากันวนะงไปแรก็สแจกทั้งทั้งลูกหลวงพ่อพร้อมนะลูกหลานนะ วมาแม่หลวงพอมีจุดประสงค์อยากจะให้เฮ็ดลูกเจ้าของแจกดอกบาราแล้วหลวงพอก็อยากได้เนะอ็มพสมมาอยไปเอ็พสหลวงพ่อดิฉันจะทำเอ็มพี่ามถวายเน่าสัานเออวะเออนี่แหละเอาตามที่ดิฉันได้รับไปเนะี่ยเป็นกระเป๋านี่แหละแต่ดิฉันจะทาเป็นแผ่นๆไ ป, เ, ป, เ, ป เ, ออเอาก็เอ อ, เอก็ว่าแต่เนาะบาราเฮ็ดมากเลยป้าโทษตายนเฮน็ดจังนเลยเฮ็วะพอปาน ดาลาแจกลูกเจ้าของนะพ่อน่ยดาล่าเท่าเห็นไหมเอ่อเขาก็จักจีวาจัใงใดพ่อโนไปเขาก็เลยแจกตามทีมันมันมีหนะลูกหลานเลอย่าไปหาเบิงถนนเบิงรลบนะฟังเอ็มพี่สมก็แล้วกันนะเอ็มพสามคงหลวงพ่อหลวงพ่อว่าจังใดหลวงพ่อก็มั่นใจนะเหนไหมเอ็มพสมใน น, นี้หลวงพ่อมั่นใจว่าการพูดและการกล่าวของหลวงพ่อในเอ็มพี่สามเนี่ย จะเกิดประโยชน์ตอนลูกตอนลานผู้เตะแต่เงียบเลฟังแล้วเขบะเมืองออกกระเป๋าใหญ่มาให้อาจารย์สงบดูสิกระเป๋าใหญ่นะเอ็พสมของหลวงพ่อนี่เหตุมาถึงแต่เดือนเดือนเมษาวันเกิดของหลวงพ่อนะบัตรนะฮะคาฮะกรรมมาไดฝั่งสองอาทิตย์นี้ได้เนี่ยฮะกรรมมาแจกนะมหากรรมมหามาใดทั้งมดมีหยุดนิ่มลอยข้อแผ่น เอาไปฟังๆนะอาจารย์สงบนะการหาว่ามีประโยชน์แล้วก็ค่อยเปิดให้ญาติโยมฟังขั้นว่าว่าเป็นประโยชน์ให้ส่งกลับมาหาหลวงพ่อนี่ไปถิมนะส่งกลับขึ้นมาหาหลวงพอ่อข่านจะมากข้าหนาวมันไปจะไปหาถิมมัไปพอหลวงพอ่อในร่งทุ่นพันกว่าบาทใ น, นกระเป๋านี่แต่ก็จะพอเฮ็ดกระเป๋านี่ที่แรกเขาว่าจะทําได้เท่าไหร่หลวงพ่อเออเอาสักหาซิบกระเป๋าไม่ได้ครับ อย่างน้อยต้องห้าร้อยสเตนไอต้อง500ออห้าร้อยกระเป๋าโอ้โหหารอยกระเป๋ากระเป๋าแล้วเท่าไหรน่นะ เ, เขาก็คิดเป็นตัวเลขออกมาคิดเป็นแพ่นออกมารวมทั้งกระเป๋าพอมเกือบพันสองครับโอ้พันสองหาร้อยเพื่อนเดิมันหาแสนกว่าบอวบอวบวบบบอวบลงทุนหลายโพูดบอกเป็นกระเป๋าอมากเกินไป ลดลงได้ไหมถ้าจะทําจริงๆสามร้อยครับอย่างมากอย่างนั้นถอยไม่ได้ครับเกิดไม่ได้ถ้าต า, า, ามคนที่ไม่ได้ไม่ทําครับไม่คุ้มค่าฉันเลไม่คุ้มไม่คุ้มค่าทําถ้าได้3ถ้าส0มร้อกระเป๋าพอลงพอก็เลยกันอกกันใจเหตุวันไหนแต่3ามอกระเป๋านี่แหะเพราะได้300กระเป๋านีกาน่ก็เลยแจกจะพอวัด เรียกว่าคณะทัตท่านเนี่ยช่วงผูสนใจไฟซึกการศึกษาเป็นอย่างย่งหลวงพ่อยังเฮ็ดก็คิดว่าจะเก็บรวบร่วมเนี่ยเอ็มพสทั้งหลายเนี่ยให้ไปเป็นคลั่งไหววันออกไปให้มันเป็นคลั่งไหว ก, กระจัดมากระจัดกระจายแท็กที่มันกันใดต่อกันได้อันนี้หลวงพ่อก็เลยเก็บไว้แลเลยลงทุนกล้าลงทุนเหมือนลงไปหมดไปสามแสนกว่าบาทแล้วลงหละลูกห ล, ลาอ <c oughs> <c oughs> กระเป๋านี่วันนี้เพรามันสามลอยกว่าเด็แต่หลวงพ่อเนี่ยบ่เสียดาย แต่ละหนังสือแต่ละเล่มขื้นกันพิมพ์หนังสือขึ้นมาเนี่ยมันมันพิมพ์นั่นน่ะราคาก็ต้องแพงแต่หลวงพ่อพอเสียดายเสียดายแต่ว่าลูกหลานบออ่านเท่านั้นแหละห็นลูกหลานพออ่านเนี่ยหลวงพ่อเสียดายมากไปหนูไปเพราะหนังสือแต่ละเล่มหนึ่งก่อนที่จะทําเป็นหนังสือขึ้นมาต้องมาคัดหนังสือแต่ละเล่มของหลวงตาเนี่ยคําพูดของหลวงตาแต่ละกันแต่ละวักแต่ละตอนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ เอาคัดออกมาพอคัดออกมาแล้วก็โจสีมาพิมพ์มาพิมพ์กับมาลายเลี่ยงตัวหนังสืออีกกลัวสิขาโลงพิมพ์อีกโอ้โมเมนธรรมดาแต่หลวงพอบริเฮ็ดเองนะว่าให้ลูกน้องลูกน้องบริวานลุกพระเนี่ยพระที่พวกเก่งๆพวกหัวคอมพิวเตอิมพนั้นแล้วนไปพวกปืนเพิ่นเฮ็ดหายวันไปหลวงพ่อพม่แต่เป็นผูกใจเงินท่านั้นอย่างหนังสือ หนังสือของหลงตาเมื่อกี้นี่หลว ง, งพ่อพูดนะแต่หนังสือเล่มนี้คือกันนะตายและเกิดและตายและสูญนะเป็นอย่างยังมีหนังสือเล่มนี่กับพอว่าท่านอ ง, องนค์ขมวตีดรเตรานะที่แม่พ้นไปสั่งสาร่าบานพ่นฮอแมนบอกออนายศีละวันนะแม่ของดรเตอรานะ <c oughs> ไปสั่งสาร่าถ่วายลงปูเฮ้า วัดบ่านโพ้นวนนี้ท่านองค์ข้บวนตีดรเตเช่านี่เพิว่าเพิร์เป็นประธา น, นประธานบอร์ดปตทประธานบอร์ด ป, ป, ปูนจีเบนไทยและกับเป็นหลายประธานมาดาวยวน้เพิรนว่าเพิร์นี่สนสนใจไฟถ้ำมาได้บัตเนี่ยแล้วผลมาเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวบงังเป็นลูกศิษย์หลวงปูขาวหลวงปูข่าดีหลว ง, งปูเทศหลวงปูฝันนี่แหละคู่บาอาจารย์กรรมฐานเนี่ย เพื่อนกันเชื่อมันศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะคําสอนของพ่อแม่คูบาอาจารย์พระกรรมฐานอีกเพื่นเขาลบนับถือเหลื่อมใส่บันไดเพิ่นไปเป็นประธ า, านบอร์ดประธานบอรดด้วยมากคณะกรรมการแต่และหัวหนา้าหัวหนา้างานหัวหน้าที่ทํางานไปนะมีแต่ผู้ด้อยมากปริญยาเอกปริญยาโธเป็นอย่างหน่อยจบมาจากต่างประเทศทั้งหมดนักธุรกิจธุรการทั้งหลาย บ้านในเพิ่งเอ๋พวกคนทั้งหลายที่เขาเก่งทั้งนี่เนี่เก่งทั้งบริหารจัดการทังโลกเนี่ยในความรู้สึกทังด้านธรรมะนี่ยเขามีความผูกจังใดเขาเชื่อจังไดในความรู้สึกของเขา เ, เอาจะจะถามมึงว่าคนกลุ่มนี่ยเขามีความเชื่อจังใดในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยบานในเวลาผนกินเขาเที่ยงบอกกินเลียงเนี่มแร้งเนียเรียงอาหารเมื่อจบงาน ประชุมกันเรียบร้อยแล้วเรียงอาหารกันเพิ่นก็ บ, บอกว่าเพิ่นก็นต่างาถามขึ้นมาแล้ววันนะี้เอผมอยากจะถามพวกคุณนะในความรู้สึกของพวกคุณพวกคุณพวกเราเป็นขั้นระดับบริหารจบมาจากประเทศต่างประเทศทั้งนั้นมีแต่หัวนอกทั้งนั้นมีแต่ขั้นชั้นปัญญาระดับนี้ผมอยากจะถามความในใจของท่านในความเชื่อ ในในใจของท่านพวกเราทั้งหลายเนี่ยแต่ตอบตรงๆเลยนะไม่ต้องตอบอมคอมไม่ต้องเกงใจผมไม่ต้องอายผมผมให้ตอบตามความรู้สึกมีความรู้สึกไงให้ตอบอย่างนั้นเลยผมจะถามแต่ผมจะถามเป็นลายบุคคลนะให้ถามตอบขอผมตอบโดยตรงๆเลยมีความรู้สึกยังไงตอบอย่างนั้นผมจะถามเรียงตัวไปเลยนะผมจะถามท่านที่หนึ่งก่อนคุณคิดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ ศูนย์ครับชีไปเรื่อยๆสรุปแล้วผมถามมาหลายครั้งถามมาหลายครั้งไม่ใช่ถามครั้งเดียวถามมาหลายครั้งสรุปได้ว่าระดับนี่แหละระดับใหญ่ระดับที่มีปัญญาในทางโลกเนี่ยนะเขาบอกว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยประมาณ90เปอร์เซตนะตายแล้วศูนย์ประมาณ90ปรตตายแล้วเกิดนี่ประมาณ6เปอร์เซ ไม่มั่นใจศูนย์แล้วเตเกิดศูนย์แล้วเกิดยังไม่ไม่มั่นใจอันนั้นสี <c> ่ <oughs> เปอร์เซ็นต์เปินเลนเลี่ยงเปินเลี่ยงมากถึงขนาดนั้นล่ะบานในหลวงพอ่อท่านก็เลยบอกว่าเพะฉะนั้นท่านอาจารย์ต้องหาคำตอบให้ชุมชนสังคมเขาได้รับรู้รับทราบนะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ไพฤติปฏิบัติมาเนี่ย ท่านก็ยืนยัดยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่นอนแต่ทําไมโลกทุกวันนี้เขาทําไมเขาคิดได้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้ท่านอาจารย์หาคําตอบให้ชุมชนสังคมได้รับรู้รับทราบด้วยทางว่าคนเกี่ว่าตายแล้วศูนยเขากลัวแต่กฎหมายเท่านั้นละ่ะเขาไม่กลัวบาปกรรมเพราะอะไรเพราะกฎหมายถ้าทําในที่แจ้งกฎหมายเอาโทษได้ ถ้าทำในที่ที่ลับนะ่ยตาคนไม่เห็นเนะ่ยเขาสามารถที่จะทําได้เพราะว่าเขาคิดว่าตายแล้วศูนตายแล้วไม่ได้รับบาปรับกรรม เ, เพราะฉะนั้นเขาจึงทําความชั่วมันจะเกิดขึ้นหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญมีแต่กลัวตกกฎหมายเท่านั้นเองคนสามารถที่จะทําในที่ลับในที่แจ้งทํำไรทั้งหมดขอให้ท่านอาจารย์ชี้แจงให้ชุมชนได้รับทราบนะเพราะนั่นจึงมีหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้น ตายแล้วเกิดและตายแล้วสูนะหลวงพ่อกับอกนเทป MP3 มากไหมพอแล้วก็ผาก็เลยอัดอัดเทปอัด MP3 มาใส่มาทายทอดใส่หนังสือเหล็่มนี่หลวงพ่อก็บอกว่านี่นะหลวงพ่อกับบอกว่าตายแล้วเกิดแน่นอนขั้นพุทธอยากฮู้ว่าตายแล้วเกิดนะรือตายแล้วสูตนะให้นั่งภาวนาหน้านะ อย่าไปคืดเดาอย่าไปคืดขาดคะเน่อย่าไปประมาณการคณาว่าพวกเฮ้านางภาวนาท้ำจิตใจให้สงบให้เน่งตามที่พ่อแม่คูบาอาจารย์หรือตามลักธรำข่ำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเพิ่นไปค้นคว้าศึกษาเดไปค้นคว้าศึกษาที่โคนตนโพ้นะเมือเมื่อเพิ่นออกบวช ไปค่นควายหกปีพระพุทธเจ้าไปค่นควายเรื่องเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณจากนั้นพระ อ, อ ง, นนงค์ในนั่งคัตสมาธิขาขวาทับขาทรายมือขวาทับมือทรายอยู่ในเหงาตนโพโค้นตนโพวันเดือนหกเพ่นจากนั้นพระทัยใจของพระองค์ร่วมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดชาติเกิดความรู้พิเศษขืนมา กว่าปุเพนิวาสานุสติยานรละลึกชาติทหนหลังได้อันนี้คือต่อพทธเจ้าเพิ่นได้ไปคน้นคว้าเพิ่นทำจิตให้หนึ่งสะก่อนกำหนดล่มหายใจเขา่ารัวหายใจเขา่าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในล่มหายใจเขา่าในล่มหายใจออกบ่ได้คิดเป็นอดีตที่ผ่านมาบ่ถึงคิดปุ่งผุ่งไปในอนาคต เออบ่อยจิตใจคิดไปทางอื่นให้ยู้ที่ปลายจมูกเท่านั้นไในช่วงนั้นในเมื่อจิตใจของเพลินยู่ในจิตอยู่ในปลายจมูกแน่วแน่เน่งจากนั้นก็ร่วมจิตใจร่วมลงเป็นหนึ่งเออพอจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณาัสนะเกิดฌานเออเกิดความรูุพิเศษขึ้นมาและวหลุดฌานหนหลังใดคัณวะพุทธเจ้าเป็นว่ากันเกิดขึ้นมาเมือ่อใีเมื่อเดียวพระอาทิตย์โพลขึ้นมาเมือ่อีด เขาก็เกิดมื่อนี่เลยเข้าก็บระลึกถึงมือวานในบารายเพราะเหตุใดเพราะเข้าเกิดเมื่อนี่มือเดียวเด็จะระลึกถึงมือวานได้จะไหนเพอเข้าเข้ามันบอกมีมือวานอันนี้เข้าเกิดมาเข้าก็ต้องมีมือวานมีมือวาดยังมัวแล้วยังมีอาทิตย์ก้อนอีนอกยังมีเดือนก้อนอีกยังมีปีก้อนอีกอก็เลี่ยงปีไปอีกบัดแต่พระพุทธเจ้าพนเป็นผู้มีความรู้พิเศษนะ พลันระลึกขามไปเองบ่เนี่ยขามพบขามชาติไปเองพุทธนะเออในอดีตตชาดพุทธนะเพิ่นว่าเฮ้าเหตุอย่างไรจะลงมาเกิดที่มาเกิดมาจากสายเพิ่นว erm ่าบ่เนี่ยพลันระลึกขามชาติไปได้บ่เนี่ระลึกขามชาติเฮ้ามาจากไสมาเกิดเพิ่นกะว่ามาจากสวรรค์ชั้นรูสิตนะเออมาจากสวรรค์ชั้นรูสิตลงมาเกิดมาปฏิสนธิที่คันพระบารดา นางสิทธิมหามายาพระเจ้าทุตโธทนะเป็นพระบิดาที่กรุงกบิลพัฒน์มาในพื้ น, นึกย้อนไปอีกก่อนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์สั้นรู้สิธนะีมาจากไสพ้นก็นย้อนลงไปอีกมาจากพระเวชสันดรในชาตินั้นฮะก่อนที่จะขึ้นไปอยู่สู่สวรรค์พระเวชสันดรเป็นศาสตรที่สิบเลยพ้นก็ขึ้นไปจากพระเวชสันดรก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระเวชสันดรมาแต่ใสเพ้นก็นไล่ไปอีก เลี้ยงลำดับให้เบิงเลยยี่ห้อสิบชาติร้อยชาติหารอยชาติผ่านชาติหมื่นชาติแสนชาติเป็นหูวงักษมัดเถิดญาณรัตนะของเพิินอันนี้คือปุเพในว่าสานุสติญาณของพระพุทธเจ้าบ่แม้จะเกิดมาชาติหนึ่ชาติเดียวเพลินก็นเลือดไปอีกว่าก่อนเท่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยเป็นจังไรเพลินว่าคืดในใจสกปรนไปเห็นเดี๋ยว ฟังธรรมเทศนาไลยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าเลยโอ้ผู้ขาอยากเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตขอให้ใครที่ขาพระเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วยเถิดในอนาคตไปกราบพระอยู่เซก็ตาม เ, าเมื่อตั้งตนใหม่ก็คืดในใจว่าชายที่เป็นพระพุทธเจ้าขั้นบดิเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกเป็นอย่งจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอยากเป็นพระพุทธเจ้าพ่อเกิดมาภบนายชาตินายอีก อุปนิสัยมันยังติดอย่ได้ติดจิดตติดใจเฮ้ยมากก็จะเกิดเป็นพภพพระเจ้าอีกปาถนาอีกไปโยไสก็ตามมันออกไปเออแต่ในใจมีแต่ไหเออผมมากไหมคือมากว่านี่ออกปากมาเนี่ยเออบอกตัวที่แล้บอกกาเวาได้ว่าอยากได้อย่างมันออกไปบอกกาเว้ า, อ า, เ, วาเออพาตัวมากกาเวาได้บ่ะนี่พอกาเวาไปว่าออกปากแล้วมาเนี่เออไปกราบพระอยู่ไซโอ้ขอให้ข้าพระเจ้าได้ เป็นพระพุทธเจ้าได้ตัสรุตัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตโดยเธอบ่อหายไผ ฟ, ฟังบ่ออายไผ่ไป่านอันนีออ้พอออกปากแล้วไงพอออกปากนี่ยเาหลายลอยหลายเมือนหลายแสนชาติขึ้นกันที่ออกปากที่อันนมาหรไปต่อมาได้รับพยากรบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าของเขาได้รับพยากรณ์ขั้งแรกก็คือพระเจ้าที่ปังก่อนสมัยนั้นเป็นทุเมตะเป็นดาบด๊ อยู่ในปาาา่าเขารรมถนนขึ้นมา่าพระเจ้าแผ่นดินลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินไปบวชจึงพระเจา้จธธาจงทิตธะนี่แหละพ่อไปบวชแล้วได้ตัดสรรูปเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ช, ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรนบาเดพ้นกันแล้วมาผัากม่าบิดทบาท มาบินธบาตในเมืองนะเมืองพระบิดาเนี่ยบาเดพุทธมาบินธบาตบาเนี่ยมันทางโคงนะ้งเนี่ยมันมีมันมีนํำซับนําขำ้ามันไม่องทงหน้าทงหนึ่งไครจะว่าทงหน้าแนะลา่ะไปมันเป็นหล่องหนะน้ามันเป็นหองบาเดพุทธเจ้าจิวเวน่นเว่นทางไป เ, เขาไปในเมืองบาเนีพวกพี่น้องไปใช้ชนทั้งหลายโอ้พวกพุทธเจ้าเดินโค้งโผล่ไปเอสเดจไปทางโคง้งโผลเข้าพวกพวกเข่า นาจะให้ท่างซื่อไปดีนะให้พวกพวกได้เจ้าเพิ่นเสด็จมาดเข่าเมืองตรงๆเร่ไปท่านพวกชาวบ้านเขากระลุ่มไปเห็ดวนไปอ่าอ่พอลุมไปเห็ดท่างจอกท่างเสียมท่างปุงกีเราลงไปอ่ไปเห็ดถนนหนทางบาดในมือนั่นสุเมธาเนี่ยดาบดรอปเดินไปเพิ่นหอมาทั้งอากาศเนีเพิ่นมีเพิ่นมีญาตินะมันมีเพิ่นมีชาญวนไป เหาะมาทางอากาศเพาะมากมาเห็นพวกนั้นเฮ็ดงานกับมะเรืงตึงนา่งมะนั่งต่างนึงมาเรืองตึงนั่งกันโยนไปย่างคำวักคำเม่นทั้งดาบวัตเหน่งเลยลงมาลไปเหาะลงมาลงม า, ลงมาไอพวกเธอท่านพวกทันทั้งหลายเฮ็ดยั้งว่าสะไหนโว้ยเนี่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยอยู่ในตรงขามนี่ยเพื่อนอยากให้เพื่นเดินทางตรงไปปิณฑบาตในเมืองเต่อันนี้เพื่นเดินทางโคง พราะนั่นจึงเฮ็ดจอยกันเฮ็ดทั้งท่านเลยท่านเวลาบินธบาตพระพุธทธเจ้าทางพวกนีก้เห็นว่าเอ้าท่านขั้นสั้นให้ผมให้ผมเฮ็ดน้าเฮ็ดผมเฮ็จซอยใดบอ่อท่านลื้อสีวาอนาไปลื้อสีถามให้ผมเฮ็ดจอยใดบอ่อท่านไหวได้ไยินดีท่านลือสีเอ า, เอาซอยกันมา่ให้ผมเฮ็ดหม่งใดเรา บานฤืสีเป็นผู้มีเดเทปมันหาะใดมันวาเขาก็จะให้เขาคนเนี้ยไอฤืดสีใสมองขีดตมแล้วต้องไปบาดนี่ยมองขี้ต่อมมองขีดโค่นลงไปมองมันเห็ดย่างยากไปเขาก็เจว่าให้ฤืดสีใสอิติลิดตัวลไปเห็ดสะพานทองสะพานเกลืสะพานเล็กสะพานยังก็ไดหมดเพอฤสีมีฤทธิ์เป็นบลเขาก็ให้ฤืดสีมองเห็ดมันเห็ดย่างยากมองขีดตมหมมองแฉะลไป ทางลื่นีนี่เพิ่นกับสีเห็ดโดยอิเิลิตก็ได้อยู่เออแต่มันบ่อสูเห็ดโดยแห้งจะของมันไปลื่นีนี่ก็บ่เอาบ่อเห็ดโดยริดตัวนั้ไปโป๊ปปั๊บมากกว่าม้วนผ่าหนังเสือเพิ่นแก๊ปเลยวันนั้ไปม่วนผมม่วนชนะหรือมัดดีๆโดจงกระเบนได้ก็มักจกนำขึ้นกนกับเขาอะไรไปเออเห็ด เฮ็ดถนนถวายพระพุทธเจ้าไปพวกเอื่นเขาก็เฮ็ดเหมือนกันแล้วแล้วป่านนี้พ่อเขาเฮ็ดายกว่าได้เป็นบอล่ะไอ้เตเท่าฤษีนี่เฮ็ดอย่างไรมันมันกับบอแล้วเพราะมันมันขี่ตมเลยบ้านี้พระพุทธเจ้าเสด็จมากพอดีป่านนี้เสด็จมากคณะที่ชื่อตื้อสีป่อแล้วลงไปฤษีนี่ก็ทางบอแล้วได้เป็นบอลล่ะฤษีก็เอ้าข่าวพเจ้าขอม เอาร่างกายเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าใต้เลยเถอะเนี่ยกระหัวพาดไปทางพระพุทธเจ้านะให้พระพุทธเจ้าใต้หลังพ่อของพระสงฆ์วันไปทำตัวเองเป็นร่างอร่างกายเป็นสะพานแอเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าใต้คนไปประเดี๋ยวถอดเื่อสียก็ น, นอนพาดเรื่อยวันไปขอพระองค์จงไต้หลังของข้าพระองค์ไปด้วยเถิดพระเจ้าข้าเพราะ พวกข้าภาคข้าพระ อ, อ, องค์ทำยังไม่เสร็จพันท่ดนี้ก็พอพระพุทธเจ้ามาหอดเพร่พอจะยืนจึกเร็วนะไปประทับยืนเลยบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายนี่ฤาษีเนี่ย <c oughs> สุมเมธานี่ยฤาษีคนนี้นะต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนในนับคือเราพยากไดในเะเนี่แปลว่า พุทธาได้รับพยากรหนึ่งวันมีสองเลยวันลไปประเดี๋ยรับพยากรจากพระเจ้าสุมเมธาดาบทพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนต่อไปลือสีคนนี้เขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อว่าพระโตรค ต, ตมะโคตโคตมะพระโคดมพุทธเจ้าพระบิดาชื่อพระเจา้าจุโถธนะพระมารดาชื่อ สิทธิมหามายาอัคคมเหสีชื่อพิมพายโททลาบุตรชายชื่อพระราหุลอัคระสาวกขวาชื่ออุปติสสะทุสาริบุตรสาวกข้างซ้ายชื่อพระโมกคลาอุปถากฝ่ายชายอนาถาบิดกะเศรษฐี อุปถากฝ่ายหญิงนางวิสาขาพระพุทธเจ้าที่พังก่อนเพิ่นพยากรไปเรื่อยๆมาวันในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจา้าองค์หนึ่งจากนั้นจะได้ออกบวชแล้วก็จะได้ตัดสรู่เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์เพิ่นเ ล, ลึกชาต์ทุนหลังได้ไดเลยเมื่อพอได้ตัดสรู่เพิ่นก็เ ล, ลึกชาติโอ้ก่อนเท่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นมาจางใหญ่ไ ยังทีวาน่ะนึกแน่ใจตอมากกับมาออกปากตอมากกัได้รับพยากรได้เมื่อรับพยากรแล้วก็บาด เ, เออล่มลุกโค้คานเพี้นไหวตายเกิดในวัฏสรงสรารมทั้งสูงๆต่ลุมหลุ่ ม, ม, มานดอนเออบางที่ก็ตกนรกบางที่กัไปสู่สวรรค์เออแต่หลวงปู่จามเพินว่าเหลวงปู่จามเพลินว่าผู้ที่ปาถนาพุทธภูมิเนี่ยไปสวรรค์กับอยู่บอ่อนานไปนรกกับอยู่บ่น่านคน หลงพ่อก็ได้ถามเพิ่นว่าเอา้าเป็นอย่างดลวงอาเอา่อเป็นอยังไปอยู่บนนันครับเอามีเงินเลจะไปอยู่นั่นนั่นตัไปเที่ยวอย่ะเดี๋ยวไปหาจาังไลยครื่อเป็นเป็นห่วงเพราะจังเลยเออพอไปสวรรค์นี่นสิไปอยู่สันพร้มเนี่ยเคื่อไปอยู่เป็นเอ่อ้านาว่าผู้พ ร, รมดานี่ยอันให้สงแห่งการผู้เป็นพร้มเนี่ยอยู่เป็นเหมือนๆเส้นแสนปีเลยนะผมว่าเออแต่พระพุธที่สัตว์นี่ยจะอยู่บนนาน เพิ่นเป็นห่วงวะเพิ่นบริสางบารมีเพิ่นขื่นเฝ้าไปหลือไปอยู่สักพักหนึ่งเพื่อก็จะลงมาสางบาลมีของเพิ่นแล้วไปตกนรกขึ้นกันพอไปตกนรกก็ตกม่นนั่นพ่อเกิดว่านั่นอ่ะเพิ่นขึ้นว่าจะสังสางบารมีอยู่บาปกรรมถนัดให้ผลพอให้ผลเฉยๆก็มโนนั่นก็ขื่นมากก็สร้างบารามีคือพระพุทธศาสนาเนี่มีธรรมาเพื่อสางบาลมีไปนรกก็ไปพอดุดนไปสวรรค์ก็ไปพอดนเพิ่นมา เพื่อจะได้มาสางมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่เป็นแดนกลางเป็นแดนกลางในการสร้างสมบุญกุศลไปนรกเนี่ยก็ได้สางไปสวรรค์ก็ได้สางมีแต่ไปสวยความสุขสื่อแต่มามนุษย์นี่ยใครๆว่ามาสางฐานะของเจ้าของอันนี้คือนี่พระพุทธเจ้าผลสางบา ร, รมีเป็นขนาดจน จากนั้นเพิ่นก็ได้ตัดจรูดในวันเตือนเดือนหกเพ่นเนี่ยนะเรียกว่ายานรัศนะคำเลย น, นะปุบเพนิว่าสานุสติยานรละลึกชาติทวนหลังได้เข้าอ่านเพิ่อเข้าจมูกจักพระโพธเจ้าเพืพ่อสวยพระชาติแต่ละชาติเป็นมากของแต่แต่ละภพแต่ละชาติของเพือนอยู่พระพุทธพระพุทธเจ้าหารอยชาติอย่างนี้นะจากนั้นเพื่อนก็บังเองิบปเนี่ย พอถึงเทียงขึ้นเนี่ยเป็นเบิงบัดมเมนเบิงเจ้าของบดเบิง เ, เจ้าของก็บเบิงเลยเนี่ยผู้เพศว่าสานุสิติยานบัดีนเบิงผู้อื่นบัดเนี่ยอย่างอย่างหลวงพ่อนี่เบิงซัดท่าห ย, ยาดมแต่ละคนนสินะั่งเป็นลอยลอยขนเนี่ยเต็มซาลาลหลวงพ่อนี่แต่ละค้นเป็นอย่างบกคือกันบัดเนี่ยนมาเกิดมาหลายปณิละ่ะเป็นคนคือกันเป็นยัางบกคือกัน ลูกร่างกลางตัวบกคู่กันความฉเฉลียวฉลาดก็บพวกคืนกันความมังมั่งมีสีสุกกระบอคืบกันอีกความสุขแตล่ละความสุกสต่ะทุกซุกเดือบแต่ละคนกระบอกคืบกันอีกแ้แต่ไข่กันก็บมี่พ่ออ ก, กเบิงพ่อเบิงแล้วคนก็บอกเลี้ยงเปลงไปหาอีกไปแต่ละคนม า, จากจังใดยังมากเกิดมือหอดปองนี่มาเบิงเปิือกอะไรหลายๆลายเลี้ยงไปอีกแ้ไข่ไข่บ๊อบ เบิงหมื่ว่านเขาเห็ดอย่างหมึอก้อนเขาเห็ดอย่างเดือนก้อนเขาเห็ดอย่างปีก้อนเน่ยเขาเห็ดอย่างเออจนชาดก้อนแต่ละชาดแต่ละชาติละชาติเขาเห็ดอย่างไงแต่ละชาติเขาท้ำกัมอะไอย่างไงเพิ่นก็เบิงอีกพ่อเบิงแล้วโอ้เขาท้ำกัมบกคือกันการคิดบกคือกันการกระท่ำบกคือกันการพูดบกคือกัน เพราะการคิดบกคลือกันเมื่อคิดบกคลือกันกับการกระทําออกไปก็บกคลื่อกันแน่บ้านนี่ผู้นึงมักอีกหนึงผู้นึงมักเปรี้ยวผู้นึงมักหวานผู้นึงมักสมผู้นึงมักเข้มกว่าเไปผู้นักเมืองมักหัวหลอกผู้นึงมักเข้มเข้มขึ้มวันเดมันบกคือกันเลยหน้าจิตต่างหน้าทัศนะมาดนเมื่อมากบกคือกันการกระทําก็บกคลือกันการพูดกับพูคลือกันในเมื่อคิดบกคือกันทําบกคือกันพูดบกคือกันการออกมาก กรรมก็จำแนกเราบ้างนี่จำแนกให้พวกทรัพย์สัตย์ทั้งหลายเกิดมาบกคื้อกันบ้างเนี่ยผู้ได้ทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลผู้ใด้ทำกรรมดีกรรมดีก็ให้ผลเออบางคนของหูหนวกตาบอดบ่าใบเป็นบ่าก็มีพราะเหตุไรเพราะขนเกิดมาบกคือกันเลยบางคนเกิดมากินแต่เหล่านไปเออสนุกสนานกินเหล่านะเกิดมาพบนี่ชาตินี่ก็เป็นบ่าเป็นบอดเกกก เพราะอะไรเพราะอันนี้สงเหล่าเลยบางคนอายุสั้นเพราะอะไรเพราะเคยขาสัตว์มาแต่กอนเพราะพระพรองค์ผนหูมัดบ้านนี่นะว่ า, าจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติของสรัพรพสั์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะกรรมเป็นผู้จำแนกกรรมจำแนกให้สรัรพสัต์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันนั่นแหะพระพุทธเจ้าพระงวะ่าเมื่อพร ะ, พระเดตทัสรุพระในโอวาทปฏิโมกข์พันวะอัคตังทุกตังกกเซโย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 คิดเห็นพิดอยากทำน่องคล้องถ้ำเอ้ยเฮ็ดเอ้ยวานรกสวรรค์บ่มีตายแล้วสูนตายแล้วสูดตายแล้วบ่มีเกิดอีกท้ำดีบ่ได้ดีท้ำซัวบ่ได้ซัวอันนี้เราคิดบ่ดีแล้วเดะเน่คิดบ่ดีอันนี้ถ้ามเมื่อท้ำลงไปเนี่ยในเมื่อคิดไว้ถ้ำดีบ่ได้ดีท้ำซัวบ่ได้ซัวมก็ท้ำที่สิ่งที่มันอยากจะทำในเมื่ออยากจะทำผลของการกระทำมันก็ให้ผลขืนมา้าบั่นี้ การพูดขึ้นกันเพราข้องบวยเสือให้บาปให้บุญเลยด่าไปกระดาด่าพอ่อด่าแม่กันเลขาพอ่อขาแม่เตะพอต่อเตะแม่ตีพ่อตีแม่กันเลยเพราเหตุไดเพราบวยเสือบาปบุญคุณโทษมีได้ลบานนี้นี่ยนะบานนี้มันมีดได้บาปเพราเ อ, อเาเหตุเข้าไปแล้วเกิดภพนาชาตินาเนี่นนะเยเป็นบาปเป็นบ่อเป็น บ, นบ่พี่คงพี่การหูหนวกตาบอด บ, บ่าใบเสียจิตความทุกข์ความจนกระบขึ้นกัน S <S เ, เกิดมาพบนี่ เ, เกิดชาติที่แล้วกันกิการทําบุญทําท่านเอกทําไปท่าไหว้ท่าไว้ไวพระไปแลยไงให้พระในเงินเฮาโง่ืฉยๆเสียเปียกกิการกิเกียดทําบุญ <S 2> <S 2> พ่อเกิดมาพบนายชาตินาบานี่มีมีอันยิ่งสงท่านเลยก็ทุกจนที่ผูมิมีลาร้อยขึ้นมาเนี่อั น, นิ่งสงท่านผลไปเห็นพระประเจกพุทธเจ้าเป็นพระหันทสาวก เห็นคูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท้ำบุญท้ำท่านกับผลสาทุนเออผู้ขาเกิดภพนาชาตินาผู้ขาจะได้ให้ทุกข์ได้จนโดยอเนกสงสีณอนกสงท่านของขาไปเจ้าคอยขาไปเจ้าพลทุกข์ในวัฏสงสารถึงปฏิพันธในที่สุดในขณะที่ขาไปเจ้าเวียนไหวตายเกิดจุในวัฏสงสารใหญ่คำวัตทุกน่าทุกข์โดยนำในการทำมาหาเลี้ยงเฉียดโดยปัจจัยสีย่าให้มีแก่ขาพระเจ้า ตั้งความปรารถนาไว้แต่ละเขาเกิดมาพบใดชาติใดอเนส่งที่ได้ทําหุ่นกับพระพุทพพธเจ้าพระประเจกพุทธเจา้าพระรหันตสาวกผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบอเนส่งมูนันเขาก็เกื่อหนุนเขาก็ต่างกันกับคนที่บวบวัด้ทําำหุน่นถ้ำท่านไว้เนี่แหละอเนส่์มันต่างกันเป็นว่าจุตูปะปาตะยาณการเกิดการตายของสรพสัตทั้งหลายมันบวกร์กันเพราะ กำจําแนกให้ทรัพยสัตว์ทั้งหลายเกิดมาการคิดการทําการพูดบกคือกันสิ่งเรานี่อันนี้ก็คือรักถรมคําสอนของพุท ธ, ธาจากด้านพ่อไก่สว่างไก่สีแจ้งบัดพระ อ, องค์ก็มองเลยว่าเอใจของข่าพระเจ้าเนี่ยจของเราเนี่ยมาจากใสมาเกิดมาจากใสพอแม่ของใจมาจากใสวิญญาณดวงนี้พระ อ, องค์กับพินง มองไปอีกตามตามตามตามไปเพราะว่าเพลินเป็นภุเพศเนีว่าสานุสตติญานเนี่ยเปนบอระเพลินร ะ, ะลึกชาติท้นหลังก็ตามมาจากใสเพลินก็นไล่ไปอีกไล่ไปหาต้นต่อของจิตวิญญาณที่มากเกิดมาจากใส่มาเกิดมาจากใส่พระองค์กันนั่มไปไปทอดจนหอดจวบเอ่ออวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณัง วิ ญ, ญาณปัจญานามะรูปังนามารูปัาปจาสรายาตนะสะรุปแล้วก็คือจิตวิญญาณดวงนี้นะมาเกิดมาจากความโง่คือมาเกิดมาจากอวิชชาคือความตัวโมลนะูเกิดมาจากตัวโมลูคือตัวอวิชชาที่มันมาเกิดมาเกิดจากตัวอวิชชาปัจญญาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณัสาอุปาญ การร่องไหายผีไร่ร่ําพันทุกโขกทุกวันนี่นะทั้งซุกทั้งหัวเราะทั้งร่องไหายทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดมาจากตัวอวิชชาตัวนั่นละ่ะที่ทํำให้เกิดมาบกเกิดกว่านั่นบกเกิดกว่านั้นเกิดมาจากพ่อแม่ของดวงวิญญาณคืออวิชชา ค, คือความโง่คือความบอลู จากเน้นพระองค์กับที่มั่นเวียนไหว้ตายเกิดจุนี่เพราะอัญญงเพิ่นกระเบิงแหละเพราะกิเลสเออพราเกิดขึ้นมาวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วมีกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงเป็นเพื่องพักดันไห้ดวงวิญญาณนี่เวียนไหว้ตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณมาถึงปานนี่เออกิเลสราคะขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งกิเลสโทสะขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งกิเลสโมหะ ขึ้นมาแบบหนึ่งโลภขึ้นมาแบบหนึ่งโกรธขึ้นมาแบบหนึ่งหลงขึ้นมาแบบหนึ่งนั่นแนหะเพิ่นกระเบงใจของเพิ่นบ้านนี้เพิ่นสิตจ ำ, ำจิกรรจัดได้จังได้บาน น, จจนี่จิตสำลัได้จังได้เนี่แหละเพิ่นก็ใช่มักขะคือมักแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะกับมั่นตัวชีวาวาิโมกชติสมาธิสรุปแล้วก็คือศินสัมมาธิปัญญา มีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาชําระล่างใจดวงนั้นกําจัดกิเลสโลภโกรธหลงออกจากใจของพระองค์ในวันเดือนหกเพ่นจากนั้นพระองค์ชําระใจของพระองค์ใดพระองค์ใดตัตจารุได้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจวนใกลจะกวนใกล้สีแจงเมื่อวันเดือนหกเพ่นเออเพิ่นจะประกาศเลยขึ้นมาเลยว่เมื่อชําระแล้ว ชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่จะทำให้หมุนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารคือกิเลสราคะโทสะโมหะเราได้กำจัดออกหมดแล้วบัดนี้ใจของเราเป็นไทยแล้วเป็นอิสระแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเราของเราแล้วนี่แหละในวันเดือนหเพ็ญพระพุทธเจ้าเพนเดตัสรุ้ำสามอย่าง อันรับแปลกมือหัวคําปุบเพเนว่าสานุสติยานพ่อถึงเทียงขึ้นจูตูปปาแต ย, ยานพ่อใกล้สีแจง้งอาสาวกไก ย, ยาน ه, นี่แหละพระพุทธเจ้าพระเนตรุญ่านสามอย่างเนะ้อคณะจัตธาญาชนโยมลูกหลานบานได้มาพูดถึงแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บัดสายลงปูห ม, มันของเฮาพวกลูกหลานเห็มันใจเลยนะสายใดมากก็ตาม เ, เพ่งจังสัน่นกระสินจังสี่ เ, เพ่งนั่นเพ่งนี่ยุบน้อพอ่อหนูยังกรตาบถ้าเฮาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันลูกศิษย์หลวงปู่เขียนของพวกเฮาแล้วนะให้พวกเฮาเสื่อในปฏิปทาของพ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเฮาหลวงปู่มันเป็นพระเริยะบุคคลเสื่อกระดูกของผลเมื่อผลหลวงรับดับขันกระดูกของผลเป็นพระาธาตุกระดูกหลวงตามหาบัวกระดูกคูบาอาจารย์ของ เป็นเม็ดกลมเป็นพระธาตุกระดูกเป็นพระธาตนะุนี่ยแหละคือกระดูกของพระอรหรันต์ผู้ใดจังสัตว์เพราะนั้นพวกเขาเนี่เกิดมาในตระกูลตระกูลพระอรหรนันต์น่ะเดย์พวกเขายังไปหาแซนั่นแซนิวไรเด้สายนันสายนิวไรไดเดยเข้าต้องเชื่อมันแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเข้าเพิ่นสอนจังไดนะ้หลวงปู่มันเพิ่นบอกว่าให้ตังอกตั้งใจนะ้ ถ้าเป็นกระหว ต, ติโี่ยนกไก่มีท่านให้มีนามชิดนําใจในการทําบุญทําท่านจากทั้นให้มีศีลหานะจากนั้นกับพีนะ่โอกาก่การักษาศีลโอเบสดส่วนพระกะับวชเข้ามาเลยค่ะให้ตั้งอกตั้งใจอยู่ในรักพระธรรมวิ น, นัยอย่าไปหลงละเมิดศีลและวินัยของเจ้าของเนาะให้เคารพศีลนะเนาะศีลนี่แหละเป็นเครื่องป้องกันไม่เจ้าของทําความสวัวไม่ไก่ว่าจ่าออกไปในทางที่สัวใจของเขาจึงจะ แนวแน่อไปสู่สมาสทิและปัญญาปัญญาต่อไปเพราะนั้นให้นี่แหละนี่ทั้งก้าวเดินของพวกเข้าอันนี้ก็คือหลวงปู่หมันท่านสอนเลยบัดเมื่อเมื่อเข้าประพฤติถูกต้องแล้วปะเนี่ย ท, ท, ทั้งท่านทั้งศีลทั้งภาวนาของเขานะ่ะเอไปในทา้งที่ถูกต้องแล้วบาดเห็นนั่งภาวนาเนาะการนั่งภาวนาเนี่ ย, ยใครกำหนดล่มหายใจเขา บริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธหายใจเข่าพุทหายใจออกโทธจะไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาจะไปคิดถึงอนาคตถึงอย่งว่ท่านมาถึงห้องไอจูดในจิตในเป็นปัจจุบันอย่างที่พระพุทธเจ้าพ น, นังที่โคนตนโพน่นะพนกำนดแต่ล่มหายใจเขา่าหายใจออกแต่ผัวเข้านี่คิดแต่กำนดแต่ล่มหายใจเขา่าหายใจออกเคือมันหลงมันลืมมันหลงเงินได้ง่ายมันหลกสนได้ง่าย ให้พวกเข้าบริกรรมพดโธพร้อมมันหายใจเข่าพดหายใจออกโธให้สำทับกับพดโธพร้อมหนะเออเนี่แหละหลวงปูหมันเพิ่นสอนจากนั้นเพิ่นกิดพ่อเขานั่งสมาธิคู่บาอาจารย์ย่อมรับปัจจุบตามหาบัวหลวงปูต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูหมันย่อมรับเลยว่าหลวงปูหมันเพิ่นสอนเพิ่นเนีมาสอนพวกเข้าต่อเองวันหลวงปูลาเผาน่าพดโทนะตรงตามหาบัวขึ้นกัน ให้ภาวนาพุทโทเนในเมื่อภาวนาพุทโทกําหนดทางร่มหายใจเข่าออกหายใจเข่าพุทธให้ใจออกโทษใจของเฮาบกคิดถึงอดีตถ้ามคิดคิดถึงอดีตก็ตามบังคับบ่ให้มันคิดคํามมาคิดถึงอนาคตบังคับบ่ให้มันคิดไปให้มันอยู่กับพุทธโธที่ล่มหายใจเข่าหายใจออกพุทโทพุทโทเวลาเดินเดียวโกงขาขวาพุทธขาซ้ายโธ เ, เวลาจียางไปใส่ให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเจ้าของเจ้าของย่างเห็ดอย่างเจ้าของ ย, างอย่างยังเจ้าของเห็ดยังเจ้าของพูดจังไงให้มีสติสัมปชัญญะในการการเป็นอยู่ของเจ้าของอันนี้แปลว่าสติอยู่กับเจ้าของจากนั้นเมื่อสติอยู่กับเจ้าของจิตใจของเราจะร่วมสงบและปัดร่วมสงบนิ่งขึ้นกันครับพระพุพทธเจ้าคุณสงบนันะพ่อร่วมสงบขึ้นไปเท่าจะหูจักไร้บัน เ อ, อร่างกายกับจิตใจจิตใจกับร่างกายเป็นคนละอันกันเลยบาดร่างกายนี่คือรูปประธรรมแต่จิตใจคือนามธรัมรูปประธรรมกับนามะทาัมอยู่ในร่างกายของเหง้านี่ยพอจิตใจร่วมสงบแล้วมันจะหูหูจักด้วยตนเองเลยบาดจิตใจเป็นจิตใจร่วมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ร่างกายหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทยะะียบว่าร่างกายของเขานี่คือกันขับรถเป็นลูกประทรับแต่จิตใจคือนามธรรมนึ่คือคนขับรถคนขับรถกับรถอาศัยกันอยู่อยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายมีสองนะมีลูกธรรมกับ น, นามธรรมอยู่ในร่างกายของเขานี่ลูกประรรมคือร่างกายนามธรถ้คือจิตใจหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบว่าร่างกายเ like, หมือนกับรถใจก็เหมือนกับคนขับรถ รถคันไหนจะไปได้ต้องอาศัยคนขับคือใจรถที่ไปได้ต้องอาศัยโซเฟอร์แต่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นว่าให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถเอสบัตในหลักธรรมคําสอนนะพระพุทธเจ้าว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจในี่แหละใจนี่คือมโน รถคั้นเอสี่ครับไปในทางที่ดีได้สี่ครับไปใส่เมื่อโค่นโซ่เฟอร์ครับไปแล้วโซวเฟอร์ครับส้นกำแพงก็ได้ส้นต้นไม้ก็ได้ลงคล้องก็ได้ล่องนาผ้าก็ได้พราะอะไรเพราะโซเฟอร์นิสัยบดตีนิสัยโมโหโกธาได้ครับไปไปจางไหนก็ได้พอลถขั้นเอแต่เพราะนั่นเอ พระพุทธเจ้าบ่กโซเฟอร์นึ่ควรจะได้รับการอบร่มบัดเอากอบรมศีลธรรมเข้าไปเอาโซเฟอร์มาอบรมเฮ้ยมห็ตจังจันมันไม่ถูกนะมันเป็นบาปนะม่เป็นกรรมนะให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะประโยชน์แล้ไม่ใช่ประโยชน์นะเนีลักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อนที่เอาโซเฟอร์มาอบร่มได้บัดให้หิวจักศีลให้หิวจักร้ำให้จหูวจักกาละเทศะวิยาวดขุนนวุฒเออ การสถานทีบุคคลควรประพฤติตนจังไดควนบ่มเพ่นจังไดขคนจนถึงว่าจะทําจิตใจให้รุดพ้นจากอาสวะกิเลสจนถึงพระนิพพานใดนี่แหละอันนี้ต้องอาศัยรักถ้าคําสอนของพุท ธ, ธบัตร เ, เมื่อจิตใจของเข้าเป็นสมาธิแล้วเข้าจะรู้ได้ตายแล้วเกิดแล้ตายแล้วสูญก็หู้ได้อีกคือกันร่างกายเนี่ตายแล้วไปเผาไฟทิ้งแน่นอนอะไรบ่เป็นอย่างอื่นมาไปแต่ว่าจิตใจออกจากร่างได้ พออกจากล่างไปตืบไปฏิป ต, ปติสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้น เ, เรื่องจิตใจกับร่างกายแต่ร่างกายน เ, ยาายเอาเถอะอีกสักมือหนึ่งทุกคนที่พวกเขานั่งน้าการนี่นะจอมเณผู้ใดจะไปกอนกันล่ะเลี่ยงคิ้วกันไปเรื่อยๆจนที่สุดถึงจุดจบทุกคนว่ามีผู้ใดที่จะหลีกเลี่ยนหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยจอมเนเอาความตายมาคูกันเลยเณเอาความตายมาบอกให้กันฟัง ให้พวกเข้าท่านทั้งหลายจาตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วให้ประกอบคุณงามความดีให้สร้างสมบุญกุศลให้พวกเข้าถึงจะหางเงินปันได้กระตามันเอาไปตั้งแต่เขาเกิดมาเฮียหนังสือมาเข้าขอบุคคลไปจะหางเงิน เ, เหนเฮียหนังสือแต่เฮียหนังสือมีความรู้ขึ้นมากเลยไปทําการทํางานเป็นครูบาอาจารย์บังเอาญาตรีพระญาโธได้เงินมากจากนั่นกันทําให้ทํามาทําหัวทําสวนทําแยงกระตา่าเพื่อได้เงิน เงิ่นจะได้มากนี่ส่งเข้ า, เาถึงถึงโรคพยาบาลเงืนเนี่ส่งเข้าถึงโรงพยาบาลเาได้ปัจจัยสีมาก็สางบ้านสางเงืเอ่อนเสือผานุ่งสือยาแ ก, โก่โรคไผ่ไข่เจ็บกินมือธรรมะท่านป่วยหนักเสืออาหารการบริโภคาสางบ้านที่อยู่อาศัยนี่แหละปัจจัยสีนะเสือรถมากี ปใจซีทีนี่พอป่วยเขามากเงิเนก็ทรงถึงโลงพยศไปหาหมอจ้างหมอรักษาให้ดีที่สุดเออมีอย่างเป็นโรคไผ่ใครเจนะ็บรักษาหมอเขารักษาให้ดีที่สุดพอได้เงินเลยขั้นหมอโบได้เงินเขาก็รักษาบอดีเลยเขารักษาให้ดีที่สุดเพราะได้เงินเท่าเท่าไหร่บอกว่ากันขอให้หายพอในสุดรักษาไปรักษามาก หม อ, อมดความสามารถขึ้นกันเนี่ยพราะเหตุใดเพราะว่าเออมดความสามารถของหมอเนี่ยมันม่มีเนี่ยมดความสามารถจิงเงินปลายปันไอก็ตายไปรู้ปะพอในสุดพอมดความสามารถจะเนี่ยกัเหตุยังไงละ่ะกรตายและป่ะมันมดความสามารถหมอเลยเดะพ่อตายว่าเนี่ยเขาเป็นรับซบมากมากใส่หีบใส่ร่งใส่ยางเรียบรลอยมดอลไรกับป่ น, นี่ เอ่ออยหยาดพี่นองหยาติโกโฮติกาพี่นองหลูกร้านทางร้ายที่หักเขาลบนับถือเหลื่อมไซซัท่ามากไหมวันออกไปหักผู้ที่ตายไปวันออกไปให้ความให้เกียรติให้ความเค่าลบพระด้รศวรกับไซเมนกัไปส่งไปไซหีบหรือไปส่งถึงเม่นวันไปเอ่แต่ก่อนที่ส่งถึงเม่นกันมามัติกามบางส ก, า ก, กุลพระยักษกีหลอบกีเถี่ยวบางคนก็นเก็บไป้หลายปีหลายเดือน พอที่โชกับไปส่งถึงเม่นพอส่งถึงแม่ก็ไปหอดหนามเม่นเลยกันบางคนก็ไปลดหนามซบไปทำปี ท, ที่จากนั่นกันไปว่างดอกไม้จันคลวะเออพอปูพอยาพอตาพอแยออ่พอบ้านแม่บ้านปีป่าน้าอาพูดอหไรกเฮาจะเรียกบุคือกันไดออ้ถาว่าไปแล้วข อ, ขอให้ไปดีเนดะ้อถาว่าทัน ได้ทําชี่งไดทีบอดีกับขาไปเจ้าข้าไปเจ้าก็ยินดีอโหสีกัมให้ท่านคันนะว่าท่านคือกันนะขาไปเจ้าได้ทําอหยังกับท่านที่มันบอดีบองงามก็ท่านก็โปรดอโหสีกัมให้ข้าไปเจ้าด้วยอข้าไปเจ้าจะสําร่วมระว่างต่อไปอย่าไปถือโทษโกดเคลื่องกันเถอะไปดีเถอะต่างคนต่างไปเนะเอะโอโหสีกรัมให้กันเนอะพอได้ก็ว่างหอกไปจันก็มาดังเขาเลยจากนั้นเขาก็ จับหยัดเขาเต่าเม่นก็ไฟต่ำเยั่งเหลือแต่กระดูกมาฮเน่วิญญาณกรับร่างกายก็ถูกเผาแล้วไปวิญญาณก็ออกจากล่างแล้วไปเนี่ย่างจากผู้ตายแต่พิจิตได้อย่างไี้เหมือนเขาเผากระดูกแหละวิญญาณก็ออกไปนะนั่นแหละอัตหิอั ต, ต, อ ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรา นอกจากบุญกับบาปถ้าหาวเท่าถ้ำบุญบุญนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทำบาปบาปนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราแต่บาปเป็นเพื่อนสองเนี่ยผ้าตกนรกได้ป่าผ้าไปตกนรกผ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานผ้าไปเป็นเปรตผ้าไปในเสี้ยงถิเป็นบัวพึ่งบัพึ่งปราถนาพ้าเขาคุกผ้าเขาตะล่างไปเลยบาปผ้าไปเลยขั้นบุญผ้าไปนะครับไปสู่สวรรค์ชั้นฝ่าชั้นพุ่ม จนถึงมักผลนิพพานได้เพราะนั้นให้พวกเข้าเลือกเอาเข้าจะไปทางไหน่ันไปเข้าเชีอยวทางดีแล้ว เ, าเอาเชี่ยวทางสัวเงินคำจับสมบัติทีห้าหามาใดเนี่ยสงเข้าส ง, สงเข้าถึงโรงพยาบาลแต่ญาติพี่น้องญาติโกโหจิการหลักปันไดกระามส่งถึงเมน่นไปจากนั้นก็นเป็นนาทีของพวกเข้าไปตามลำพังได้คณะจัทวาญาติโยมลูกหลาน กลับไปถึงบาเมือกายนนาปากคิดเหมนะอือนนาที่หลวงพ่อวอดมั่นแมนบอก น, นะออตอนนี้ไปการกาวและการพูดใ้มือนีก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอหยุดติไว้เพียงตอนนี้นะั่นลูกหลานเด้อ